คนเราเกิดมาในโลกนี่มันแสนดีนักหนานะได้เกิดมาเป็นคนถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้มันแสนยากแสนลาบากเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นแต่มันเกิดได้เหมือนกันนะคนนี่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกัน ถ้าจิตใจมันตกต่ำลงไปแล้วมันไปเกิดได้เหมือนกันนะกรรมมันนำไปอย่างนั้นดงนั้นทุกคนต้องยกจิตใจของต น, นให้มันสูงไว้มนุษย์โศไปว่าผู้มีใจอันสูงสูงอยู่ด้วยคุณธรรมสูงอยู่ด้วยหินิโอตปะความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วต่างๆ ทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งต้องตั้งความละอายแก่ใจไว้เสมอสมอจึงสงกับนามว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมอันดีงามกลัวผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทมนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุก ไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้ามันต้องตั้งความกลัวไว้ในใจเสมอสมอถ้าผู้ใดขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ขี้ข้านปฏิบัติขี้ข้านภาวนาขี้ข้านฝึกตนมันก็เห็นแก่กินเห็นตะแก่นอนเท่านั้นแหละถ้าผู้ใดมีความสะดุ้งกลัว ต่อกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นนี้แล้วมามองดูจิตใจของตนนะมันยังมีความชั่วแฝงอยู่นี่มันจะไปไว้ใจได้ยังไงคนธรรมดาสามัญยังไม่ถึงขั้นพระอริยบุคคลแล้วเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่ามันมี ความดีก็มีความชั่วก็มีอยู่ในจิตใจนี่นะมันปนไปกันอยู่อย่างนี้ันเผลอเข้าไปไอ้ความชั่วมันก็โผล่ออกมานี่ถ้ามีสติรู้ตัวความดีมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะหนึ่งนั้น ก็ต้องพิจารณาดูจิตใจของใครของเราแหละให้มันรู้ว่าดีกับชั่วนี่นะขอให้รู้นี่แล้วก็โทษวิเศษนาะไม่ต้องอย่างอื่นหรอกโอ้อันนี้เป็นความชั่วนี่ความคิดชั่วแบบนี้นะของนขอให้รู้เถอะ เมื่อรู้แล้วเกิดความกลัวแต่กรรมชั่วที่ตนจะเพิ่งทำนี่ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปพอมันเผอคิดขึ้นมามันรู้ตัวอย่างนี้มันก็กำหนดใจละทันทีไม่ให้มันลุกลามขึ้นในใจอันถ้าหากว่าผู้ใดไม่รู้ตัวตนคิดชั่วมา ขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้นะนั่นมันร้ายกาดอ่ะเพราะเมื่อไม่รู้ก็ไม่ไม่ได้ละมันมันก็หมักหมมอยู่ในจิตใจนั้นแล้วมัน เ, เมื่อมันได้โอกาสมันก็แสดงฤทธิ์ออกมาทำให้คนเราไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาได้ร่วงศีลร่วงธรรมได้ ก็เพราะความชั่วมันหมกหมักหมมอยู่ในใจนั้นและมันบันดาลให้คนเราทำชั่วนี่นะต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่มีความชั่วใดๆอยู่ในใจนั้นแล้วคนพวกนั้นจะไม่ทำความชั่วเลยจะมีการสรํารวมกายวาจาใจของตนให้สม่ำเสมอเรื่อยไป อันที่มันสูงสูงต่ำต่ำตำอยู่นี่นะความโมฟึศก็เพราะมันมีทั้งดีทั้งชั่วนั่นนาะคนเปนกันอยู่นั่นฉะ น, นั้นทุกคนใด้สำรวจ ด, ดูจิตใจตัวเองราคะความกำหนัดนี่มีไหมอยู่ในใจอ่ะนี่พูดกันอย่างเปิดอกนี่แหละถ้ามีล้วก็อย่าไปนอนใจ ต้องหาอุวายกําจัดมันออกไปจากกิจใจ อ, อราคะคองกำลังยินดีตัวนี้แหละสําคัญกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยมันดานในคนเราเกิดโทสะพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันกับตัวราคะตัวนี้นเป็นมูลเหตุอืมันดานในคนเรานั้นไปแย่งชิงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือตอนมีอำนาจบาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจนั่นคมเห็งคนมีอำนาจน้อยขู่รีดเอาสมบัติเอาสิ่งของกับคนมีอำนาจน้อยอืมนี่ก็เกิดจากราคาเป็นมูลเหตุนะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ต่างๆนี่นะนี่น่าเป็นมูลเหตุเป็นมูลเหตุให้มนุษย์อสัต ท, ทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เราต้องเข้าใจถ้ารู้ว่าตนยังร า, ราคะไม่ได้อย่างนี้นมันก็ต้องคอยสมรวมระวังสิ่งใดที่จะเป็นภัยเพื่อให้ ราคะทันหามันแก่กล้าขึ้นแล้วก็ตัดทอนมันลงเรื่องอาหารการกินการหลับการนอนการพูดจาปลาัยกันก็ไม่ควรปารกถึงเรื่องรักเรื่องใครขึ้นมาต้องระงังงบไปหมดเรื่องพวกนี้นะมันก็จึงไม่กำเริบขึ้นมาได้ ถ้าเราหาวิธีป้องกันภายนอกไปแล้วบัด น, นี้เมื่อภาวนาเพ่งพิจนาเข้าไปภายในมันก็ไปเห็นโทษแห่งราคะทันหาอันนั้นเข้าไปแล้วกับละมันบัด น, นี้นะเพราะว่าใจเป็นผู้สร้างขึ้นมันจึงมีกิเลสทั้งหลายนะถ้าใจไม่สร้างขึ้นแล้วมันไม่มี เมื่อมันมีอยู่ในใจนั้นแล้วระงับมันไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นครือหัสผู้ครองเรือนก็เป็นคนเจ้าสู้มายาสาไถ่ไม่รู้จักอิ่มในกามทั้งหลายเงินทองมีเท่าไรก็ออกไปบำลุงบำเรอกามคุณนั้นเสีย ทำให้ครอบกลัวเดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างนี้แหละคนผู้มากในกามทั้งหลายนะมันถึงได้รับความเดือดร้อนเมื่อมันเดือดร้อนในปัจจุบันชาตินี้แล้วไปไปชาติหน้ามันก็เดือดร้อนเหมือนกันเหมือนไปนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้มัน รู้จักฐานะของตัวเองรู้จักภูมิรู้จักเพศของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเป็นเครหัสอย่างนี้นะก็าจะปลดพืชล่วงกาเมสุวิชชาจา์ศีลข้อนี้สำรู้ไม่เข่งคัดเข้าไป เช่นนี้มันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้บ้างนอกจากนั้นก็พิจารณาร่างกายอันนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามตามธรรมชาติธรรมดาของมันเสมอมันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ต้องเป็นผู้สำรวมกายวาจา ใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้ราคะตัญหามันกำเริบขึ้นในใจเพราะว่าเป็นหนั้งขวดนี่การสำรวมในกามทั้งหลายนี้ย่อมเคร่งครัดกว่วเคืองหัดดังพระวินัยที่บัญญัติห้ามไว้หมดนั้นก็เมื่อคนดูตำรา ห, หรือว่าเรียนมาแล้วก็ต้องรู้ได้นะนั่นแหละ เพียงแต่พูดเกี่ยวพาราสีกันเรื่องความรักความใคร่อะไรต่งตางๆวันนี้นะพระ อ, องค์ก็ปรับอาบัติแล้วนี่เป็นพระภิกษุนะ <c oughs> เป็นสามเณรก็ปรับโทษตามสิกขาบทของสา ม, มเณรลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท เกี่ยวกับกามากุลนี่นะทรงบัญญัติให้เข้มงวดขวดขันปานนั้นแหละบุคคลจึงสามารถเอาชนะราคะตัณหาได้ลำพังได้จะภาวนาอย่างเดียวไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติไม่มีทางมันจะไปละราคะตัณหาอันนั้นได้ถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นนะ่ะ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติสีขาบทห้ามไว้ Why? ให้คิดดูก็แล้วกันเอาไปภาวนาละเอาในใจนู่นมันก็ได้ดอกอย่างนี้นะมันก็ยิ่ง ง, ง่ายเลยถ้ามันเป็นไปได้นะแต่อันนี้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะมันเป็นไปไม่ได้เหตุนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงทรงบัญญัติ ที่ทรงบรรยัติสิกขาหมดแต่ละข้อนั้นมีมูลเหตุมามีภิกษุประพฤติร่วงไม่ดีแขาว่าประพฤติไม่ดีมาแล้วเพื่อนภิกษุสมนานเหตุมาเพื่อนภิกษุสมนามเณรเห็นพระภิกษุรูปนั้นประพฤติอย่างนั้นเห็นว่าไม่เหมาะไม่สมแก่สมณะส า, าูปเช่นนี้ก็นำความไปกราบทูลพระศาสดา พระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ควรจริงก็จึงเรียกประชุมสงฆ์เรียกผู้ทำผิหนึ่งเข้ามาในท่ามกลางสงฆ์แล้วตรัสถามว่าได้ทําอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นจริงหรือพระต่ก่อนเพื่อนซื่อสัตว์อะไ้ทําได้พูดกวาบทูลโดยตรงเลยอะได้ทําจริงได้พูดจริงก็ทรงตำหนิตีเตียนว่าการทําการพูดเช่นนั้น ไม่เหมาะสมไม่สมควรแก่สมณสารูปนี่แล้วแสดงคุณแห่งความสำรวมระวางในการทำการพูดเช่นนั้นมันจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคือเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษเดี๋ยวพระองค์ก็บญญัติห้ามวะนี่ เก็นนจัดเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งทรงบัญญัติถ้แล้วก็ทรงลงโทษไปด้วยปรับอาบัตไปด้วยถ้าใครล่วงเกินเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักปวดนะพิจารณาดูให้ดีพระธรรมวินัยคำสอนของพระเทเจ้าทรงพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอน ในพระธรรมแล้วก็ทรงบัญญัติพระวินัยคือข้อห้ามอันนี้ส่วนธรรมะนันเป็นอุบายสอนจิตใจเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงส่วนพระวินัยนั้นห้ามความบกพรุดทางกายทางวาจานี่ไม่ให้ล่วงเกินที่ทรงห้ามไว้ ถ้าใครร่วงเกินก็ต้องปรับอาบัติกันถ้าผู้ที่มีฮิเดโอตัปปะทำอยู่ในใจมากๆไม่ต้องให้ผู้อื่นปรับเลยเมื่อตนต้องอาบัตอะไรรู้ตัวแล้วก็รีบไปแสดงให้หมู่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ต้องอาบัตสิ่งนั้นข้อนั้นมาขอสารภาพผิดต่อท่าน ขอแสดงต่อท่านผู้รับก็บอกว่าท่านได้รู้ตัวลึหรือ ร, รู้ว่าตัวได้ทำจริงหรือได้ทำจริงถ้าเชนนั้นก็ขอให้ท่านสำรวมระวังต่อไปสาธุดีแล้วข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในเรื่องนี้ต่อไปฮาเมื่อโทษไม่หนักเกินไป ไปสารภาพพร้อมผิดต่อ ก, กันอย่างนั้นแล้วโทษนั้นกบค้นไปหมดไปดังนั้นเนี่ยเมื่อใครต้องอาบัตอะไรซึ่งเป็นละหุกาบาัตอาบาัตเมาอย่กผิดอย่าปกปิดไว้ต้องให้รีบแสดงต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้มันพ้นโทษไปการปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจมันก็จึงเดินไปได้มันยึงก้าวหน้าไปได้ ถ้าต้องอาวรณ์แล้วปกปิดไว้โทษมันก็เกิดขึ้นในจิตใจติดตามไปทําใจให้มัวหมองเท่านั้นจะไปทําสมาธิภาวนาให้ใจมันสงบลงนี่ไม่ได้หรอกใจมันจะสงบลงไม่ได้เพราะบาปมันขัดขวางไว้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะให้เข้าใจดังนั้น ก็ อ, องค์เจ้าจึงตรัสว่าศีลอบรมสมาธินั่ น, นะศีลเมื่อทักษาให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วก็อบรมสมาธิให้เกิดขึ้น ม, มีสมาธิเป็นอานิสงส์นั่นแหละหรือเป็นผลนั่นแหละเมื่อบุคคลมีศีลบริสุทธิ์แล้วนะ สามารถทําจิตให้สงบระงับจากที่วันห้านั่นได้ถ้า อ, อย่างงั้นมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากศีลอันจิตสงบระงับลงไปนั่นน่ะวันนี้สมาธิเมื่ออบรมให้ดีแล้วก็ย่อมได้ปัญญาเป็นอานิสงส์มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะต่างก็สนับสนุนกันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ ข้อปฏิบัติสามประการ น, นี้จะแยกกันออกไม่ได้เลยต้องเหมือนกับเชือกสามเกลียวเขาก็ฟันติดกันเลยเป็นสามเกลียวผูกวัวควายมันก็มันคงทนทานถ้าสองเกลียวเดีย ว, ย ว, ยวนี่ไม่ทนทานเลยเดี๋ยวก็ขาดเป็นแบบนั้น ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเท่าที่พิจารณาดูที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งบัญญัติสั่งสอนไวนน้ล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติที่สนับสนุนซึ่งกันและกันพระองค์แสดงเป็นหมวดเป็นหมวดรายเรื่องธรรมะก็ดีเรื่องวินัยก็ดีดังนั้นเราผู้บวชเข้ามาแล้วอย่าพากันเมินเฉย อยากเข้าใจว่ารู้แล้วไม่ใช่นะยังไม่รู้หรอกต้องจับตำลาต้องดูต้องวิธีใช้ให้เป็นละเอียดละอธรรมะแต่ละข้อหรือว่าสิกขาหมดแต่ละข้ออย่างนี้นะคำอธิบายมันก็มีอยู่ในเรื่องวิไดอะก็มีอยู่นี้วิในมุกเล่มหนึ่งวิัยมุกเล่มสองเยพูดถึงธรรมะอย่างนี้ ธรรมวิภาค น, นวโกวาดนันเดว่าส ร, รงแสดงหลักธรรมะหลักวินัยไว้บนันทึกคำอธิบายมันอยู่ธรรมะปริเชตสองนั่นไงหรือมันอยู่ที่เฉลยปัญหาธรรมะที่ท่านพิมพ์ออกมาก็เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาทีหลังนะ ได้ดูได้อ่านว่าเพื่อนตอบปัญหากันอย่างไรปัญหาข้อนี้เนี่ยท่านออกมาแล้วท่านเฉลยว่าอย่างไรนี่เราดูไปมันก็ทานานไปนก็เข้าใจอ๋อธรรมะข้อนี้มันมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะเจ้าสอนให้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้เราก็รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นเลื่องมันะ ให้เข้าใจถ้าพราะองค์แสดงแต่ลักษณดเฉยๆบางคนก็อธิบายไม่ออกเลยไม่ทราบหมายความว่าอย่างไรแต่บางบางข้อบางอย่างก็มันก็ง่ายแก่การวินิจฉัยบางอย่างก็ลึกซึ้งอย่างนี้ดังนั้นน่ะเราจรึงต้องดูต้องคิดต้องวิจารณ์ให้มันละเอียดถี่ถวน ในธรรมะแต่ละข้อนั้นนวนจะเป็นของดีเป็นเครื่องกำจัด ก, กิเลสตัณหาให้น้อยบาบางออกไปทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าพราะองค์เจ้าสอนให้คนเรียนจำเอาไว้เฉยๆไม่ใช่นะจอ้เข้าใจธรรมะแต่ละข้อเป็นเครื่องปราบกิเลสในหัวใจของคนเพราะกิเลสมันมีหลายชนิด เพราะฉะนั้นธรรมะมันก็จึงมีหลายชนิดเนี่ยมีหลายอย่างเหมือนอย่างโรคในกายของคนเรานี่นะมันมีหลายอย่างเห็นัหมหมอถึงได้ปรุงยาหลายขนาดขึ้นเอาโรคชนิดนี้ต้องใช้ยาขนาด น, นั้นเขาก็วางยาขนาด น, นั้นเข้าไปถ้ามันถูกต้องกันมันก็ได้ผลไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ใะกิเลสใดในจิตใจของคนเราก็เป็นเหมือนกับเชื้อโรคนั่นแหละเราจะเบายาเอาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณอะไรมารับประทานงลงไปแล้วให้กิเลสเหล่านั้นมันระ ง, งับไปไม่ไม่ได้มันระ ง, งับได้แต่โรคทางกายเท่านั้นโรคทางใจต้องระ ง, งับโดยธรรมโอสถดให้เข้าใจอย่างนี้ อย่างเช่นอิทธิบาททำทั้งสี่อย่างนี้นะแต่ลองพินิชัยดูสิอิทธิบาทแปลว่าคุณเครื่องให้สำเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยฉันถ้าพอใจรักใครในสิ่งนั้นวิริยะเพียรประกอบในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจฟกไฟในสิ่งนั้น วิมังสามันติดตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นให้รู้ให้เห็นโดยเจียมแจ้งนี่ทำสี่ข้อเนี่ยมันเนื่องกันอย่างไรก็เนื่องที่เมื่อเรามีความพอใจอย่างเช่นว่าเห็นโทษของราคะตัณหาแล้วอย่างนี้นะเราเห็นโทษเข้ามาเราปรารถนาจะกำจัดมัน ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้ก็ต้องเพียรพยายามแล้วนั่นเนี่ยวิริยะภาคเพียรพยายามเจริญพระกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับกับราคะทันหานั้นนั่นบ่อยบ่อยจนว่ากรรมฐานนั้นนั้นเจีมแจ้งขึ้นในใจอย่าว่าเพ่งพิจารณาร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอย่างนี้นะ เพ่งเข้าไปจนว่าเห็นว่าไม่สวยไม่งามจริงๆตามตาามธรรมชาติของมันจริงๆอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็คลายความกําหนัดยินดีลงคดที่มันมีความกําหนัดนั่นเนื่องจากว่ามันเห็นว่าสวยงามมันจึงได้กำหนัดถ้าจิตมันรู้เห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้ว ม, มันก็คลายความกําหนัดออกไปเนี่ย มันนีนเมื่อเจริญอสุภาษกรรมฐานเห็นว่ามันบรรเทาราคาตันหาได้ก็เอาใจจดจ่ออยู่ในอสุภาษกรรมฐานนั้นไม่ทอดทุระนี่เดียวจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานนั้นเพ่งพิจารณาให้จำนีชจำนาญให้เห็นอยู่ในใจเสมออย่างนั้นนะนเมื่อเอาใจจดจ่ออยู่นั้น อาทุพะนิมิตนั้นมันก็ไม่ไม่เลือนหายไปจากกิจกำหนดเวลา้มันก็เห็นขึ้นมาเวลานั้นบัดนี้ก็ใช้วิมังสาตรีตองพิจารณาอะไรแบบนี้นะนั่นเนี่ยตรีตองพิจารณาให้มันละเอียดต้องออลลงไปว่ารูปร่างกายนี้ทำไมมันจึงสบกับปลกอง น, นี้นะมันสบกับปลกเพราะเหตุว่ามันประกอบไปด้วยอาหาร อาหารนั่นก็เป็นของโสกโปกอยู่แล้วอันจะไปเอาของสะอาดสะอาดมาบารุมาุมันยางไ้มันก็ไม่ได้อีกของแข็งแข็งมาบรรุงก็ไม่ได้ไฟธาตุก็ย่อยไม่ได้เหตุนั้นจึงได้เอาอาหารที่มันอ่อนอ่อนนุ่มนุ่ ม, มแล้วก็มีน้ำนอย่างนี้แหละผสมกันเข้าไป ก็มันก็ไปพ้นไปจากผลไม้บ้างผักบ้างเนื้อสัตว์บ้างไอนเนื้อสัตว์นี่มันกินกันมาแต่ดึกตำวรรณแต่เมื่ อ, อไรก็ไม่รู้เพราะในตำราฮะกล่าวว่าอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าผู้มีปัญญาเพื่อนอเวนนะไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ก็ได้กินเนื้อสัตว์อยู่เหมือนกัน มันขึ้นอยู่คนมีปัญญาคนไม่มีปัญญามันก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองมันมีใครมาเตือนก็เออมันจำเป็นทำยังไงได้เอาแต่ความจำเป็นนั่นแหละเข้ามาอ้างเลยไอ้ทางที่คิดหลีกเลี่ยงไม่ต้องให้ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอย่างนี้ไม่ไม่คิดเลยยอมรับบาปกรรมไปเรื่อยไปอย่างนั้นเอง คนไม่มีความเพียรคนไม่มีวิจารณญาณคนไม่มีวิมงังสาการตรีตรองพิจารณาใครควรนะนี่แหละชี้ให้เห็นว่าคนขาดวิมงังสาขาดการตรีตรองขาดการพิจารณาเหตุผลต่างๆเหตุนั้นถึงยอมไม่ทำบาปก็ยอมยอมรับเอาบาปนั้นเลื่อยไป อันจะคิดตัวหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปนั้นไม่เลยทีนี้ผู้เจริญอิทธิบาททำทั้งสี่ไม่อย่างนั้นนี่ก็เมื่อเห็นแล้วว่าค่าตัดชตัชีวิตมันเป็นบาปร่างกายน้เนื่องอยู่ด้อาหารเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรหมนี่ก็เราก็ผู้ผู้มีปัญญามันก็ต้องหาทางเว้น การอาชีพอันใดที่มันเป็นไปเพื่อทำลายชีวิตสัตว์ก็ไม่เอาไม่ทำทาการงานที่มันไม่ทำลายชีวิตของสัตว์นั้นเพราะมันมีอยู่นี่อาชีพที่ไม่ต้องทำลายสัตว์ทั้งหลายเช่นการค้าการขายการค้าขายนี่พระพุทธเจ้าก็าห้ามไว้แล้วห้ามไม่ให้เลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิต ไว้ขายเขาไปฆ่ากินอย่างนี้ห้ามก็อย่ไปเลี้ยงมันซะอย่างนี้นะฆ่าขายยาพิษค่าขายน้ำเมาค่าขายมนุษย์อืค่าขายสัตว์เป็นสําหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายเครื่องประหัตประหารต่างๆมันนี้นะพระองค์ว่าไม่สมควรผู้เป็นอุบาสกนะคนเวรอย่างนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่าโอ์ การค้าขายเครื่องประปิานนั้นหมดนึงก็เป็นการอนุรมไปในทางฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์ชีวิตเห็นชอบตามที่พระศาสดารทรงแนะนาไวอันนี้มันเป็นประเภท ธ, ธรรมะนะไม่ใช่วินัยอ่ะอะให้ใช้ปัญญาพิจารณานดูเมื่อเห็นแล้วผูใ้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็หาทางเว้นแล้วนี้หาทางเว้น ไม่ไม่ไม่เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดจากตำนองกองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นี่เรียกว่าวิมังสานะการตรีตองนะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมันเป็นคําสอนของผู้มีปัญญานั่นแหละดังนั้นผู้เรียนผู้รู้ ผู้ปฏิบัติตามก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของพระองค์ก็จึงเห็นแจ่มแจ้งได้แต่นั้นการเอาพิจารณาการที่มันจะพิจารณาได้จะมีปัญญาก็เพราะอาศัยภาวนาทำใจให้สงบระ ง, งับเป็นหนึ่งลงไปให้สงบระ ง, งับจากที่วรนห้าเสกกรอันนี้จึงเจริญปัญญา ต้องการจะรู้เรื่องบาปบุญกุลบท้อก่อนึกน้อมออกมาพิจารณาเมื่อก็เห็นแจ้งขึ้นมาต้องการอยากรู้สังขารร่างกายตามเป็นจริงก็หยิบยกเอารูปเอานามนี่พิจารณาคัน้าว่าจิตใจผ่องใสตั้งมั่นอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเมื่อรู้แนวธรมปฏิบัติอย่างว่านี้แล้ว ก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจตั้งอิธิบาตธรรมทั้งสี่นี้ไวในใจของตนให้ได้พยายามปฏิบัติไปตามอิธิบาตธรรมทั้งสี่นี้ก็คงจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมคาสอนหรือว่าเจริญด้วยบุญด้วยกุศลทีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้